ความเรื่องสุชีปุญญานุภาพอะไรที่หาไม่ได้โดยศาสตราจารย์พิเศษสเสถียรองค์วรรณปกจากมติชนรายวัน13พสามพฤษภาคมพุทธศักราช2543ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ประตูสู่ธรรมก่อนจะถึงวันวิสาขบูชาก็ได้รับข่าวน่าเสียใจท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพได้สิ้นชีวิตเสียแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่หเมษายนพุทธศักราช2543ย25 43, ท่านเสียวันไหนผมไม่ทราบได้ทราบข่าวเมื่อเช้าวันเสาร์จากท่านที่เคารพนับถือโทรศัพท์มาบอกทราบเรื่องราวว่าหลังจากรับประทานอาหารมื้อหนึ่งแล้วก็รู้สึกอึดอัดในท้องขอนั่งพักสักระยะหนึ่งท่านนั่งเข้าสมาธิอยู่เป็นเวลานานจนพัญญาและบุตรสงสัยว่าทาไมนั่งนานปานนั้น จึงเข้าไปจับตัวจึงได้รู้ว่าตัวเย็นเฉียบเห็นท่าไม่ไหวแล้วจึงนำส่งโรงพยาบาลทั้งที่ท่านบอกว่าไม่ต้องการไปต้องการจากไปอย่างสงบที่บ้านแต่ก็ด้วยความเป็นห่วงว่าท่านจะเป็นอะไรมากกว่านี้จึงนำส่งถึงมือหมอและก็เป็นการไปที่ไม่กลับท่านสิ้นลมด้วยอาการอันสงบ เพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งปรารพว่าท่านอาจารย์คงรู้ว่าถึงวาระที่ท่านต้องไปจึงขอไปด้วยท่านั่งสมาธิดุดดังอาจารย์เซนทั้งหลายในอดีตแต่ถึงจะไปในท่าไรก็เป็นการไปอย่างสงบเช่นกันแล้วก็เป็นการไปที่ผู้อยู่เบื้องหลังเสียใจและเสียดายเสียใจนะ่ะเป็นของธรรมดาสักพักหนึ่งก็คงทาใจได้ เมื่อรำลึกได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมีเกิดก็มีดับเป็นธรรมดาไม่ช้าไม่นานก็คงทําใจได้แต่เสียดายนี่สิครับยากจะทําใจได้เพราะบุคคลอย่างท่านอาจารย์สุชีพหาไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบันถ้าเป็นอะไรไม่ว่าจะอะไรอะไรก็ตามท่านอาจารย์สุชีพเป็นอะไรที่หาไม่ได้อีกแล้ว หลายสิบปีมาแล้วถ้าท่านยังรำลึกได้คงจะทราบว่ามีภิกษุหนุ่มรูปงามท่านหนึ่งจบป ร, ริญญาเก้าประโยคมีความรู้พระพุทธศาสนาและศาสตร์อื่นๆ อ, อย่างหาตัวจับยากเป็นนักเทศนักปัตทธกตาธรรมที่โด่งดังรเรียกได้ว่าเพียงรูปเดียวในยุคนั้นเป็นพระไทยไม่กี่รูปที่รู้ภาษาฝรั่งเศสดีเยี่ยมแสดงธรรมะเป็นภาษาฝรัง่ง ให้ชาวต่างชาติสดับด้วยความคล่องแคล่วชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วไม่เพียงแต่เป็นนักเทศนักสอนภิกษุหนุ่มรูปนี้ยังเป็นนักเขียนฝีมือดีอีกด้วยงานเขียนมีมากมายพอๆกับงานพูดหนังสือพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนเป็นงานอมะตะที่ถึงปัจจุบันนี้พิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกและเป็นหนังสือที่ขายดิบขายดีอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้รเริ่มการเขียนนวนิย์ยอิงพระพุทธศาสนาใตาโรงกาสาวพัทเชิงพาหิมพานได้ออกมาสู่บรรณพิภพทำให้มีความตื่นตัวในการสอนธรรมะแนวใหม่ที่คนทั่วไปรับได้อ่านด้วยความสนุกสนานจากนั้นมาลูกศิษย์ลูกหาที่มีฝีมือในด้านการขีดเขียนก็หันมาเอาอย่างแต่งนิยายอิงธรรมะกันเป็นแถวอาทิ ธรรมโครหรือแสงจัน ง, งามได้สร้างบทบาทของพระเรวัตกับสีกาลีลาวดีด้วยสำนวนอันชวนติดตามในลีลาวดีที่พระเล็กพระน้อยติดกันงองงมแงมวสินอินทสระระจงเรียงร้อยอานนพุทธอนุชาออกมาอย่างแพรละเพราะพริง้งการกู้ชาติของเจ้าชายสิทธัตถะของกนกพรหรือจำนงทองประเสริฐก็ดี คำให้การของพระเทวทัตของกะนกบุญหรืออดิศักดิ์ทองบุญก็ดีถึงแม้ว่าผู้ประพันทั้งสองไม่ใช่สิทธิ์โดยตรงของอาจารย์สุชีพก็ยากปฏิเสธว่าไม่ได้อิทธิพลจากแนวคิดแนวเขียนของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพเดิมนามบุญรอดชายาตอนบวชคือสุชีโวภิกุอันเป็นนามที่ติดหูชาวพุทธไทยทั่วประเทศ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีวิสุทธิยานตั้งแต่ยังหนุ่มเป็นพระเจ้าขุนทั้งหนุ่มและมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในสกสมัยคือศาสตร์ของลทัทธิตนและปาระสมัยคือศาสตร์ของลทัทธิอื่นท่านก็มิได้เคลิบเคลิมหรือหลงในโลกธรรมเหล่านั้นตรงข้ามกลับเป็นพระที่สงบสำรวมอย่างยิ่ง เมื่อลาศิกขาออกมาแล้วท่านก็ทำงานในแนวที่ถนัดในด้านวิชาการถ่ายทอดความรู้แก่สาธารณิตและประชาชนทั่วไปและช่วยงานการพระศาสนาและประเทศชาติสืบมาจนอายุไขดังเคยช่วยกระทรวงวัฒนธรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมแห่งชาติช่วยสอนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยช่วยสำนักงานเอกลักษณ์ผลิตคาถามคาตอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติช่วยราชบัณฑิตยสถานทำพจนานุกรมศาสนาสากลพจนานุกรมพระไตรปิฎกที่สำคัญยิ่งก็คือท่านมีบทบาทสำคัญในองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศไทยเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติอาจารย์สุชีพมีความจาแม่นยาใครอยากทราบว่าพระสูตรไหนอยู่ที่ไหน มาถามท่านท่านจะบอกเล่มบอกหน้าพร้อมท่องให้ฟังเสร็จคนรุ่นใหม่เป็นงงว่าท่านจำได้อย่างไรเวลาเข้าประชุมกับท่านท่านจะยกพุทธวจนะให้ฟังเป็นตอนๆพร้อมอธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นใครจะคุยกับท่านว่าได้ซื้อคอมพิวเตอร์มาค้นพระตรยปิฎกซีดีรอมท่านไม่ตื่นเต้นเพราะข้อมูลทั้งหมด อยู่ในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของท่านหมดแล้วดึงออกมาเร็วกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอีกอะไรอย่างเนี้ยหาไม่ได้อีกแล้วครับผู้รู้อาวุโสยอย่างท่านมีความถ่อมตนอย่างน่าอัศจรรย์เรียกกรรมการทุกคนซึ่งก็ไวัยลูกวัยหลานของท่านทั้งนั้นว่าท่านอาจารย์ทุกคำเรียกเลขานุ ก, กานว่าท่านเลขาจนเธอบอกว่าขนลุกทุกครั้งที่อาจารย์เรียก ไม่ใช่การแท่งทำหากออกจากจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาอย่างยิ่งของท่านมีบุคคลสองท่านเท่านั้นที่ผมนินทาให้ใครฟังแล้วไม่ตอบประโยคจะนิ่งหรือไม่ก็ชวนคุยเรื่องอื่นคือท่านอาจารย์จำงทองประเสริฐหนึ่งท่านอาจารย์สุชีพอีกหนึ่งเฉพาะท่านอาจารย์สุชีพนั้นท่านระมัดระวังเรื่องทัศนะที่แสดงออกมา ไม่ต้องการให้กระทบกระเทือนใครจนบางครั้งคนหาว่าท่านแย่แต่ท่านยืนในหลักการของพระพุทธเจ้าชัดเจนเมื่อถึงคราวแสดงออกท่านแสดงออกด้วยความกล้าหาญยิ่งมเมื่อเกิดวิวาทะว่าประนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตา <_ m ody> ผมเรียนถามท่านว่าท่านอาจารย์ว่าอย่างไรท่านตอบว่าถามทำไมว่าเป็นอัตตาหรืออนัตตา พระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วว่าอนัตตาไม่ใช่ความเห็นของใครเป็นพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยกบาลีแล้วแปลให้ฟังว่าคนที่มีความเห็นถูกต้องไม่พึงยึดถือธรรมะใดๆว่าเป็นอัตตาหลังจากอ้างเล่มอ้างหน้าเสร็จแล้วท่านอธิบายว่าธรรมะใดๆหมายถึงธรรมะทุกระดับทั้งสังคตธรรม และอสังคตาธรรมและพระนิพพานเป็นอสังคตาธรรมพระพุทธเจ้าไม่ให้ยึดถือว่าเป็นอัตตาบางครั้งมีการกระทบกันเรื่องนี้กายไม่โดยตรงก็โดยอ้อมตามประสาผู้ยึดติดมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าท่านอาจารย์สุชีพนิ่งมากในเรื่องนี้จนวันหนึ่งในที่ประชุมเราคุยนอกเรื่องกันด้วยเรื่องอะไรจาไม่ได้ ท่านอาจารย์กล่าวขึ้นว่าพ่อผมบวชมหานิกายผมบวชธรรมยุทธ์ผมจะไปว่ามหานิกายยกย่องธรรมยุทธ์ก็ไม่ได้เท่ากับลบหลู่พ่อผมจะตำหนิธรรมยุทธ์ยกย่องมหานิกายก็ไม่ได้เท่ากับดูหมิ่นตัวเองเหนื้ออื่นใดทั้งธรรมยุทธ์และมหานิกายก็คือลูกของพระพุทธเจ้าเราควรจะดูหมิ่นพระศาสดาของเราหรือ จึงไม่แปลกใจว่าทําไมท่านอาจารย์สุชีพมีน้ำใจประเสริฐมีความเป็นกลางมีความยุติธรรมเหลือเกินคนอย่างนี้ไม่ใช่เหรอที่เราสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างแบบอย่างผู้รู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนแบบอย่างผู้ไม่ยึดติดในเปลือกระพีหากมุ่งชี้แกนสารที่พึงนำไปปฏิบัติต่างจากบางคนตั้งหน้าแบกแต่เปลือกระพี แถมยังเน่าเสียด้วยบทความเรื่องท่านมาอย่างไรท่านไปอย่างนั้นปาฐกถาของศาสตราจารย์พิเศษเสถียรพงศ์วั น, นปกราชบัณฑิตปารพบถึงอาจารย์สุชีปุญญานุภาพในงานสวดอภิธรรมศพอาจารย์สุชีปุญญานุภาพณศาล า, ากวีนิรมิตวัดเทพสิรินทราวาสที่มาของบทความ จากเว็บไซต์ประตูสู่ธรรมเสียงอ่านโดยโจโฉชมรมผลดีสมัยผมเป็นสามนเณรมาอยู่ที่วัดทองนพคุณทนบุรีสมัยนั้นได้ยินพระเนนกล่าวขานกันถึงภิกษุหนุ่มปรเรียนก้าประโยคนามว่าสุชีโวพิกขุควบคู่กับชื่อสเียนโพทินันทะคนหลังเนี่ยทราบว่าอายุยังน้อยอยู่เป็นผู้เชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา แล้วว่ากันว่าเป็นสิทธิ์ของสุชีโวภิกขุด้วยผมมาอยู่วัดทองนพคุณเมื่อปีพุทธศักราช2498ราบทราบว่าท่านลาสิกขาก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีวัดที่ท่านสุชีโวภิกขุบวชอยู่ชื่อวัดกันมาตุยารามเป็นวัดเล็กๆอยู่ในย่านการค้าขายของคนจีนที่พุกพล่านมากอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่า ว, ว่าท่านแหวกตลาดเข้าไปวัดอย่างทุลักทุเล เพื่อไปฟังพระหนุ่มรูปนี้เทศความรับรู้ของผมเกี่ยวกับบุคคลทั้งสองนี้ผ่านคนอื่นเล่ามีหลายเรื่องที่ประทับใจขอนามาเล่าให้ฟังขอเริ่มด้วยเรื่องลูกศิษย์แล้วเลยไปยังเรื่องของอาจารย์ภายหลังดังนี้ครับหนึ่งเรื่องแรกคือความเป็นคนมีความจําเลิอดของผู้เป็นศิษย์คือสเสถียนโพที่นันทะท่านอ่านพระไตรปิฎกภาษาไทยแล้ว อยากทราบว่าตรงนั้นตรงนั้นต้นฉบับภาษาบาลีว่าอย่างไรก็ไปถามท่านสุชีโวผู้เป็นอาจารย์ท่านก็เปิดพระไตรปิฎกให้ดูและบอกวิธีค้นด้วยต้องดูข้อให้ตรงกันส่วนหนึ่งนั้นฉบับภาษาไทยกับบาลีอาจคล้ายเคลื่อนได้เสถียนโพธินันทะไปเปิดตามอาจารย์บอกอ่านกลับไปกลับมาสองสาเที่ยวก็จาได้หมดเวลาไปพูดที่ไหน ก็อ้างภาษาบาลีเป็นหน้าหน้าเป็นที่อัศจรรย์สมัยต่อมาสเตรียนโพธินันทะได้เป็นอาจารย์สอนพระนิสิตของมหามากุฎราชวิทยาลัยท่านพาพระพระมา่าพระลังกาเที่ยวชมวัดต่างๆบางโอกาสท่านพูดภาษาบาลีกับพระเหล่านั้นคล่องแคล่วจนพระนิสิตถามว่าอาจารย์ไม่ได้เรียนบาลีแต่ทําไมพูดบาลีได้อาจารย์สเตียนตอบว่า ผมจำศั์และเอาศั์มาต่อๆกันก็เห็นพระพมา่าพระลังกาท่านเข้าใจนี่ครับว่าแล้วอาจารย์ท่านก็ยกตัวอย่างให้ฟังท่านจะบอกพระพมา่าพระลังกาว่าที่นคนปรปฐมเนี่ยแต่ก่อนเป็นป่ามีเสือเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วท่านก็พูดเป็นภาษาบาลีว่าอตีเตอิทังฐานังอรัญญานิพหูพยักคา อิธานินัตถินัต ถ, ถิพระนิสิตก็หากันตรึมเพราะบาลีของอาจารย์เป็นบาลีเถื่อนไม่มีวยากนแต่ก็ฟังรู้เรื่องพูดถึงความจำเป็นเลิศของลูกศิษย์ก็ต้องโยงถึงอาจารย์สุชีโวภิกขุผู้เป็นอาจารย์นั้นข่าวว่ามีความจำเป็นเลิศประสูตรไหนข้อความไหนอยู่ในพระไตรปิฎกหน้าไหนว่าอย่างไร ท่านจะอ้างได้ฉับฉับว่าอย่างนั้นตอนก่อนโน้นผมไม่ทราบเพราะไม่เคยได้สัมผัสกับท่านปากถาที่ท่านแสดงตามสถานที่ต่างๆผมก็ไม่เคยฟังมีหนังสือเท่านั้นที่ผมหามาอ่านอยู่บ้างข้อเขียนของท่านส่วนมากอ่านที่นิตยสารธรรมจักสุทราบมาอีกทีว่าสุชีโวพิกุเป็นพระหนุ่มรูปเดียวในยุคนั้น ที่เทศภาษาฝรั่งให้ชาวต่างชาติฟังได้คล่องแคล่วสมัยนวนต้องนับว่าอัศจรรย์นะครับที่มีพระรู้ภาษาต่างชาติและมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถ้ามีขึ้นสักรูปสองรูปก็เป็นที่โจทย์จันกล่าวขวัญด้วยความชื่นชมเมื่อโตขึ้นอายุประมาณ 18-19 ถึงผมได้เรียนสูงขึ้นคือเรียนบาลีประโยคเจประโยค8ผมได้อ่านหนังสือมากขึ้น ได้อ่านพระตรายปิดกฉบับสำหรับประชาชนได้อ่านคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาตลอดถึงรวมปักถาโดยสุชีโวพิขุจึงได้รู้จักอาจารย์สุชีพผ่านงานเขียนงานพูดแต่ก็ยังไม่รู้จักตัวจนวันหนึ่งผมแปลสมันตปาสาธิกาอาัตกถาพระวินัยสำหรับใช้เป็นหลักสูตรบาลีประโยคเจ็ผมติดขัดข้อความอ้างอิง ที่ผู้แต่งท่านยกมาไม่บอกที่มาคือส่วนมากมักไม่บอกถ้าบอกก็บอกเพียงชื่อสูตรชื่อนิกายผมอยากจะทาฟุตโนตบอกที่มาด้วยคนที่ไหนก็ไม่พบมีเพื่อนบอกว่าไปถามอาจารย์สุชีปุญญานุภาพสิผมก็ไปพบท่านที่มหามกุฏ ร, ราชวิทยาลัยตอนนั้นท่านลาศิกขาแล้วมาเป็นอาจารย์สอนที่มหามกุฏผมอ่านประโยคบาลี ย่อหน้านั้นให้ท่านฟังเพียงสามสี่ประโยคท่านก็บอกว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนจุลนิเทศมหานิเทศให้ไปดูพระไตรปิฎกเล่มที่เท่านั้นข้อที่เท่านั้นเล่นเอาผมทึ่งเลยโอ้นี่คือตู้พระไตรปิฎกเดินได้จริงๆผมมาได้รู้จักอาจารย์สุชีพจริงจริงหลังจากผมลาศิขาออกมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วบังเอิญผมศึกก็เหมือนไม่ศึก ต้องทำงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาตลอดทั้งในด้านการบรรยายธรรมและการสอนในสถานศึกษาตลอดจนการเขียนบทความเขียนตำราทางพระพุทธศาสนาผมติดขัดอะไรผมก็โทรศัพท์ไปเรียนถามท่านที่บ้านท่านก็ตอบข้อข้องใจผมทุกครั้งด้วยความเมตตาปรานีฉันอาจารย์ตอบสิทธิ์ผมจึงนับถือท่านเป็นอาจารย์ของผมมาตั้งแต่บัดนั้นนับถือด้วยใจ ไม่ค่อยได้พบเป็นส่วนตัวบ่อยนักยิ่งบ้านท่านผมก็ยังไม่เคยไปวันหนึ่งในงานศพผมไปไหว้คุณแม่พัญยาของท่านคุณแม่บอกว่าคุณสเสถียรพงศ์หรอรู้จักคุ้นเคยดีได้พูดกันทางโทรศัพท์เสมอครับบางครั้งผมโทรศัพท์ไปกราบเรียนถามท่านอาจารย์คุณแม่รับโทรศัพท์จึงจําเสียงผมได้ ผมได้ร่วมงานทางวิชาการกับอาจารย์ที่ราชบัณฑิตยสถานเป็นกรรมการจัดทำพจนานุกรมสัพท์ศาสนาสากลพจนานุกรมศัพบพระไตรยัยปิฎกที่สำนักงานเอกลักษณ์แห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการจัดทำคำถามคำตอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาประทับใจในความเป็นพระหูสูตรในความเป็นคนมีความจำเลิศท่านอายุแปสิแล้วนะครับ สุขภาพแข็งแรงขนาดเดินขึ้นตึกสำนักงานเอกลักษณ์สามสี่ชั้นฉับฉับโดยไม่เกาะราวบันไดเลยใครเลยจะรู้ว่าท่านจะรีบด่วนจากเราไปมันสมองของท่านยังแจ๋วจำพระพุทธวจนะได้คล่องปากขึ้นใจเวลาท่านเสนอความเห็นอะไรออกมาท่านต้องอ้างพระบาลีก่อนแล้วก็อธิบายให้พวกเราฟังการประชุมแต่และครั้งจึงเป็นการเข้าเรียน เพื่อฟังคำบรรยายจากอาจารย์ไปในตัวแน่นอนท่านมีเทคนิควิธีจดจำพุทธวจนะเป็นแบบของท่านท่านเคยเล่าถึงพระอานุ์ว่าได้รับคำชมเชยจากพระพุทธองค์ว่ามีคติท่านอธิบายว่ามีคติในที่นี้คือมีแบบหรือมีวิธีการจดจำพุทธวจนะทำให้ผมกระจางขึ้นแต่ลืมถามว่าพระอนุ์มีวิธีการจาอย่างไร รวมทั้งอาจารย์สูตชีพมีวิธีจำอย่างไรก็ลืมถามเช่นเดียวกันน่าเสียดายจริงๆเท่าที่สังเกตเอาเองท่านใช้สองวิธีคือหนึ่งย่อคำเช่นทศพลยานก็ย่อว่าถากรรมสับนานาอินชาปะจูอาอย่างนี้ก็จำได้ไม่ลืมว่าพลายานสิบประการของพระพุทธเจ้าคืออะไร 2. แต่งเป็นชันปัญญาวัดสรุปเนื้อหาเรียนแบบการนับทศพิษราชธรรมในวงเล็บทานังสีลังบริจาคังอาชวังมัททวังตับปังอักโกทงางอวิหิงสัจจะขันตินจะอวิโรธนังแต่งเป็นสโลกอย่างนี้จำได้ไม่ลืมนอกจากจำแม่นแล้ว ท่านอย่างเคร่งรัดต่อพระพุทธวจนะอย่างยิ่งอีกด้วยท่านอาจารย์จะไม่ยอมเขียนหรือพูดอะไรที่ไม่มีที่อ้างอิงเป็นอันขาดแม้ว่าเรื่องนี้จะฟังสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามขอยกเรื่องการทำร่างคำถามคำตอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพวกเรากรรมการทุกคนจะได้รับมอบหมายให้ไปร่างคำตอบต่อคาถามเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาเพื่อตรวจแก้ในที่ประชุม ศาสตราจารย์สุมน์อมรวิวัตรร่างคำตอบเกี่ยวกับทัศนะพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจารย์สุมณ์ก็รรา ย, ยาวเป็นเหตุเป็นผลสละสลวยไพเราะยิ่งลงทายว่าใครทำลายสิ่งแวดล้อมก็เท่ากับทำลายชีวิตตัวเองและคนอื่นอะไรทํานองนั้นท่านอาจารย์สุชีพูดว่าตรงนี้ไม่มีพุทธวจนะรองรับนะผมว่าตัดออกดีไหม หรือท่านอาจารย์จะว่าอย่างไรเราก็ต้องตัดก็ตัดสิครับช่วยกันทำคำถามคำตอบปีละส5บหข้อไม่สั้นไม่ยาวแต่เราก็ปรับแล้วปรับอีกไม่รู้กี่ครั้งท่านอาจารย์บอกว่าไม่ทันพิมพ์ปีงบประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรดีกว่าปล่อยออกมาผิดพลาดขายหน้าเขาเปล่ๆ ท่านย้ำเสมอว่าพวกเราต้องอ้างหลักไว้จะพูดจะเขียนดีหรือไม่ดีอย่างไรไม่เป็นไรขอให้แม่นในหลักไว้พระพุทธองค์ทรงส่งพระอรหันตสาวกหกสิบรูปไปประกาศพระศาสนาพระองค์ทรงย้ำเตือนว่าให้ประกาศพรหมจรร์คือหมายถึงพระศาสนาให้สมบูรณ์ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะท่านว่าอย่างนั้นในพระพุทธศาสนา มีพูดถึงพระโพธิสัตว์หลายประเภทเช่นประเภทศรัทธาทิกะยิ่งด้วยศรัทธาประเภทวิริยาทิกะยิ่งด้วยความเพียรประเภทปัญญาทิกะยิ่งด้วยปัญญาท่านอาจารย์สุชีพนับเป็นประเภทหลังไม่เป็นประเภทโพธิสัตว์ก็น้องๆพระโพธิสัตว์แล้วครับเพราะกิริยาของท่านมุ่งทาประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและมนุษย์ทั้งมวล ท่านมีความสุขมากที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่คนทั้งปวงท่านชอบความรู้และผู้รู้เป็นอย่างยิ่งดังชอบเอ่ยถึงบทบาทของพระเทระพระเทรีอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นเอตทัทคะในทางด้านปัญญาให้ฟังเสมอบางเรื่องผมก็ไม่เคยได้ยินเพราะอ่านน้อยฟังมาน้อยก็ได้รับทราบจากท่านอาจารย์นี่หละครับ ท่านเล่าว่าพระสาวรีบุตรอ克拉สาวกนั้นวันไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานท่านไปปัดกวาดลานพระคันทกุดีที่ประทับของพระพุทธองค์ลาดอาสนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้ให้พระพุทธองค์ไว้เรียบร้อยเป็นการปรนิบัติพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายกราบทูลลานิพพานเล่าไปก็สอนเราไปด้วยว่าท่านเขารบพระสาวรีบุตรเลิศเกิน มีความกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมอย่างยิ่งแล้วก็เสริมอีกเรื่องคือตอนที่พระสารีบุตรก่อนนอนหันศีรษะไปยังทิศ ท, ที่พระอัชชิอยู่ทิศหัวนอนของท่านจึงไม่แน่นอนจนเพื่อนพระภิกษุด้วยกันหาว่าท่านพระสารีบุตรยังไหว้ทิศตามธรรมเนียมพราหมณ์อยู่ที่จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านแสดงความกตัญญูกระตะเวทีต่อพระอัชชิอาจารย์เดิมของท่านต่างหาก ท่านเล่าถึงประวัตินางกุณธนเกษีเทรีที่ถูกสามีลวงไปฆ่าแต่รอดมาได้เพราะใช้ปัญญาหลังบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้รับยกย่องว่ามีปัญญามากท่านเล่าให้ฟังวันหนึ่งความจริงเรื่องอย่างนี้ผมและนักศึกษาธรรมบาลีก็รู้อยู่แล้วไม่น่าจะตื่นเต้นแต่มันตื่นเต้นตรงที่ท่านอาจารย์เล่าด้วยความซาบซึง้งซาบซึ้งในคาพูดของนางกุลฑนเกสีที่ว่า ขึ้นชื่อว่าปัญญาเขาไม่ได้ให้มีไว้เพื่อต้มแกงกินหากมีไว้เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตความที่ท่านมีปัญญาเป็นพระหูสูตรท่านได้เจรณาพระไตรปิฎกออกมาเป็นหนังสือเล่มใหญ่บ้างเล็กบ้างจํานวนมากเพื่อเป็นคู่มือศึกษาพระพุทธศาสนาอาทิหนึ่งพระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชน สรุปเนื้อหาพระไตรปิฎกเดิมทีมีห้าเล่มภายหลังรวมเป็นเล่มเดียว 2. คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศา ส, สนาเล่มนี้กลั่นจากพระไตรปิฎกและสรุปประเด็นสำคัญสำคัญที่ถือว่าเป็นลักษณะเด่นจริงๆ1ิบประการ 3. สศาสนาเปรียบเทียบ 4. ประวัติศาสตร์ศาสนาห อาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก 6. พจนานุกรมสัพพุทธศาสนาไทยอังกฤษอังกฤษไทย 7. ใต้ร่มกาสาวพัทเป็นหนังสือที่เบาสมองอ่านแล้วเพลิดเพลินและได้ความรู้ธรรมะเพราะท่านแต่งเป็นแบบนิยายิงธรรมะท่านบอกว่าได้แบบอย่างมาจากหนังสือเรื่องการมณิทวาสิทธิโดยที่เรื่องกามนิตวาสิทธิ ผู้แต่งอาศัยข้อมูลทางฝ่ายมหายานกับเทรวาสแต่งขึ้นมาท่านเห็นว่าท่านน่าจะเอาข้อมูลจากพระไตรปิฎกอจักกถาดีกาของฝ่ายเทรวาสล้วนๆมาแต่งเรื่องทํานองนี้บ้างจึงได้แต่งหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาปรากฏว่าเป็นที่ชอบอกชอบใจของผู้อ่านไปตามๆกันเพราะอ่านเพลินแถมได้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยไม่ใช่เฉพาะหลักธรรม หากรวมถึงภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ของชมพูทวีปสมัยพุทธกาลอีกด้วย 8. เรื่องอื่นๆทำนองใต้โ่งกาสาวะพักเช่นกองทัพธรรมเจิงพาหิ ม, มพานลุ่มน้ำนํำมทานันทะปะชาบดีถ้าจะกล่าวว่าอาจารย์สุดชีพเป็นผู้จุดประกายแห่งการเผยแพร่พุทธธรรมแนวใหม่คือแนวนิยายิงธรรมะเป็นคนแรก ก็คงไม่ผิดนักหลังจากนั้นก็เกิดนักเรียนตระกูลสุตชีพอีกหลายท่านบางท่านก็เป็นศิษย์โดยตรงบางท่านก็เป็นศิษย์โดยอ้อมอาทิธรรมโคดหรือแสงจันงามแต่งลีลาวดีบทบาทหลวงพี่เรวตะของสีกาลีลาวดีเป็นที่ติดอกติดใจภิษุนุ่มสมเนนน้อยเหลือเกินวสินอินทศระ แต่งพระอานุ์พุทธอนุชาเล่าบทบาทพระอานุ์ติดสอยให้ตามพระพุทธเจ้าได้ลึกซึ้งดังหนึ่งว่าเราผู้อ่านได้โดยเสด็จไปด้วยกนกพรหรือจํานงทองประเสริฐแต่งเรื่องการกู้ชาติของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับเชื้อสายของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะกรนกบุญหรืออดิศักทองบุญ เขียนคําให้การของพระเทวทัตสาธยายถึงเสือสำนึกบาปให้ผู้ฟังและขนพองสยองกล้าวได้ดีจริงๆยังแผ่อ น, นิสงส์งมาถึงนักเรียนรุ่นหลังเช่นใต้ตามทางเขียนเรื่องสองทศวรรษในดงคมิ้นอีกด้วยอาจารย์สุชีปุญญานุภาพเป็นนักปราชผู้รู้ทั่วถึงผู้ประเสริฐเป็นบัณฑิต คือผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นเพหูสูตรผู้สะดับตรับฟังมากผู้คงแก่เรียนเป็นรัตนอุบาสกคืออุบาสกแก้วเต็มตามความหมายของศัพท่านได้ละโลกนี้ไปแล้วตามธรรมดาของสังขารฝากไว้แค่จริยาอันน่าเลื่อมใสน่าชื่นชมให้อนุชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามท่านมาอย่างใดไปอย่างนั้น ตามคติของท่านว่าแต่พวกเราเถอะมาอย่างไรแล้วจะไปอย่างไรกันบ้างล่ะหนอจบสำหรับที่มาของเนื้อหาที่นำมาอา่านนำมาจากเว็บไซต์ประตูสู่ธรรมเสียงอ่านโดยโจโฉ ช, ชมรมผลดี